เขาเริ่มไม่เชื่อพระเจ้าของเราสบายอย่างไม่มีพระเจ้าอย่าให้เชื่อเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนั้นพิสูจน์ได้ตลอดกาล mm hmm. มุสลิม mm hmm. เขาต้องละหมาดกันวันหนึ่งหครั้งของเราให้ไหว้พระสวดมนต์มาละครั้งจะเป็นจะตายทำไม่ค่อยจะได้ของเขาละหมาดวันละหครั้งเขาทำได้ถึงวันศุกร์มั้งเขาก็ไปมัสยิดกัน ผู้ชายอยู่ข้างในผู้หญิงก็อยู่ข้างนอกเขาแยกกันมีประเพณีของเขาไม่เจือปนกันเรียบร้อยไม่ยั่วกิเลสของเรายั่วกิเลสนะบางคนมาวัดก็ยังแต่งตัวยัวย่วกิเลส<ม>ยัย่วกิเลสพระน่แหละยั่วกิเลสกันเองด้วย<ม>เดี๋ยวนี้ยังดีนะแฟชั่นมันเปลี่ยนก่อนหน้านี้ตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพมันมีแฟชั่นอยู่ช่วงนะั้นที่ใส่เสื้อสั้นๆแล้วก็ขอบกระโปรงขอบกางเกงเตีย้ย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 การนิวรเป็นตัวตัวเลยนี่พอเจริญสติรู้อารมณ์จนเกิดปฐมฌานขึ้นมานินวรสลายตัวไปแล้วไม่มีละเพราะมันสลายตัวไปปฐมฌานจึงเกิดอีกวิธีหนึ่งก็คือมีสติรู้ทันนิวรณ์เข้าไปเลยนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปเลยนิวรณดับสมาธิก็เกิดเหมือนกันนี่หลายทางนะเห็นไหมทางใครทางมันบางคนมีวาทะ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 เอ้ยโยมทาได้ยังไงพระทำส10ปี20ปีทำไม่ได้ทำไมโยมทาได้ก็เพราะโยมเจริญวิปัสสนานะพวกท่านที่ว่า10ปี20ปีทำไม่ได้เพราะท่านทำแต่สมถนะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไม่จะได้อะไรก็ได้สมถนะสมถะเอาไว้พักผ่อนเอาไว้อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่มาถึงวันนี้เปลี่ยนแล้วใช่มนะมาถึงวันนี้ถ้าใครไม่พูดเรื่องดูจิตเฉยแหลกเลย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 มีแต่ของเล่นเล่นของจริงไม่มีรู้โ น, โน่นรู้นี่เห็นโ น, โน่นเห็นนี่เห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้กิเลสมันพาเห็นทั้งสิ้นเลยนะขึ้นวิปัสสนาไม่ได้อยากได้มักได้ผลนะแต่ทาวิปัสสนาไม่เป็นไม่มีทางได้เลยนะเมื่อมาเจอหลวงปู่ ด, ดูล น, นะท่านสอนให้ดูจิตดูใจของเราท่านบอกให้ดูท่านบอกให้ดูดคำว่าดูมีความหมายเยอะนะคำว่าดู เหมือนเราเป็นคนดูละครดูหนังดูละครผู้ดูไม่ใช่ผู้แสดงใช่ไหมผู้แสดงไม่ใช่ผู้ดูงั้นถ้าเมื่อไรเรากระโดดลงไปเล่นเองเช่นจิตกโกรธเราหาทางทำให้ไม่โกรธนี่เราแสดงเองละจิตหลงหาทางทำให้ไม่หลงนี่แสดงเองละไม่ใช่ผู้ดูละเป็นผู้แสดงหรือเป็นผู้ประพัน์เป็นนักประพันเขียนบทละครใช่ น, overseas. นี่ก็ไม่ใช่ผู้ดูเขียนบทละครทาไง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 เราเชิญไปทานข้าว